พระพุทธเจ้าตรัสเข้าไวนะ้ในบทที่เราในอักขบภาษาทสูตรอิติวุตกะพระสุตตันตปิฎกพระพุพพทธเจ้าตรัสไว้ว่าบรรดาผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิ่อรู้แจ้งธรรมที่เลิศคือบรรดาผู้ที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิ่รู้แจ้งธรรมะที่เลิศ คือเลื่อมใสในพระุทธเจ้าผู้เลิศผู้ทรงเป็นทักินยบุคคลนันยอดเยี่ยมผู้ที่เลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศเป็นธรรมที่ปราศจากราคะโทสะโมหะเป็นธรรมที่สงบผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศเป็นบุ ญ, ญเกียรตินันยอดเยี่ยมเมื่อให้ทานในผู้ที่เลิศบุญนันเลิศย่อมเจริญ ก็คือมีอายุที่เลิศวันนะที่เลิ่ยศที่เลิ่เกียรติยศที่เลิ่ความสุขและก็ภาระที่เลื่ผู้ให้สิ่งที่เลิ่นั้นเป็นเป็นเมธีเป็นนักบก่าเป็นบัณฑิตทัางพร้อมด้วยธรรมันเลิศเป็นเทวดาก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นผู้ถึงความเลิื่ินดีแล้วก็เข้าถึงปราโมทดยด์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่า อคตโอเวปัสสนานังอาคังดัมวิชานังอาเคพุทธิปัสสนานังทักขีในเยอนุตเรอาเคดัมเมปัสสนานังเวราโคปัสเมสุเค อาเคสังเคปสันนานังปุญญาเคเตอนุตรอาทัสมิงทานังทัทตังอาคังปุญญังปวัตถทีอคังอายุจวันโนจายโสกิติสุขังบาลัง อ ah าคสาดาตาเมธาวีอาคาดามาสมาหิโตเดวะผูโตมนนโซวาอคาปโตบโมทดีตีพรรเจตรัดบอกว่าบรรดาชนผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศรู้แจ้งธรรมะที่เลิศ ฉะนั้นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นสิ่งที่เลิศบรรดาผู้ที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก, ก็คือเลื่อมใสในไหนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้เลิศที่สุดถามว่าพระบรมศาสดาทําไมจึงเป็นผู้เลิศสูงสุดเพราะพระบรมศาสดานั้นบำเพ็ญบารมีมา20ประสงค์ขายยิ่งโดยแสนมหากราบเป็นต้นและวทรงชนะ ก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้เลิศในด้านของรู ป, ปกายก็เลิศเพราะประดับไปด้วยมาหาปุริสระขณะ 3.2 ประการและนุปริยชนะ80ในทางด้านของปัจจิยาคุณแต่ละพระชาติที่บำเพ็ญมา ก, ก็เลิศมากแม้อยู่ในอัธภาพของความเป็นสัจจะฉานก็เป็นผู้มีบารมีแก่กามากสังเกตได้ว่าแต่ละพระชาติเนี่ย พระองค์จะมีขันติบารมีค่อนข้างอุปฤิตมากเออเวลาเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นมานะเช่นเกิดปัญหายกตัวอย่างเช่นในพระชาติที่เป็นศีละหน้าคาดคือเป็นพญาช้างที่เลี้ยงดูมารดาบีดาทิตาบดจำได้ไมหมโยในพระชาติที่ตอนนั้น ดูแลบริวารอยู่หนึ่งหนึ่งแสนเชือกต่อมาก็เลยเกิดอิจฉาละอาใจกับบริวารแม่ที่เป็นช้างก็ตาบอดมีอยู่วันหนึ่งก็เลยแอบพาแม่หนีหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ไกลเลยไปเลี้ยงมานดาบิดาไปเลี้ยงมานดาอัยารัยะใสก็บอกบริษัทท่านจะเลี้ยงมานดาเนะแล้วก็หนีจากโผง แล้วอยู่ต่อมาก็มีในพานจากเมืองกาศีเนี่ยไปหลงป่าพอหลงป่าก็ร้องไห้ออกจากป่าไม่ได้เสียงในพานร้องไห้ได้ยินถึงพญาช้างศสีรแลนากละท่านได้ยินท่านก็คิดารณาว่าในขณะที่เรารู้อยู่ว่าท่านผู้นี้จะประสบความลำบากอยาก จะมาเป็นอันตรายต่อท่านบุญนี้จะมาตายต่อการที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่สมควรท่านก็เลยออกมาแล้วก็มาพาในพานเนี่ยบอกให้ในพานนั่งบนคอของท่านแล้วท่านก็พาออกมาส่งใช้เวลายาวนานนะเดินออกจากป่ามาส่งชายป่าแต่ในพานเป็นคนคิดลามกคิดไม่ดีในขณะที่อยู่บนนั้นก็ใช้ไม้ใช้มีดเนี่ยตัดเชือกทำสั ญ, ญลักษณ์ไว้ตลอด เพื่อจะว่าโอ้โหเห็นช้างแสนรู้แล้วพอกลับไปที่เมืองกาสีเนี่ยตอนนั้น ช, ช้างพระที่นั่งของพระราชาก็ล้มก็เลยไปทูลบอกพระราชาว่าไปเจอช้างดีเป็นช้างที่ดีเหมาะสมที่จะเป็นช้างพระที่นั่งมากสมบูรณ์ในลักษณะทุกประการก็เลยบอกกับพระราชาพระราชาว่าจะทํำยังไงเพรช้างตนเนี้ยดูจากลักษณะแล้วในพานมีคนฉลาด บอกดูจากลักษณะแล้วช้างตัวนี้ไม่ต้องใช้แรงไม่ใช่ไม่ใช้กำลังพูดดีๆสอนมากออกมาได้เลยก็เลยไปพร้อมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายก็มามาไปเห็นช้างกำลังอยู่ในสะบัวเข้ามาเปเสร็จก็ยืน่นมืยแล้วก็พูดกับช้างดีๆคือคือใช้อาการพูดเหมือนบัณฑิ ต, ตเดยเสร็จช้างนั้นก็รู้ว่าโอ้ไัยมาถึงตนเองแล้ว ก็มาพิจารณาดูว่าด้วยกําลังของเราเนี่ยในพานที่พาพวกมาขนาดนี้แล้วอุปกรณ์ยุทธโภคท ร, รมาขนาดนี้จะจะมาจับเราเนี่ยเราอย่าว่าแต่แค่ในพานหรือบริวารเพียงแค่นี้เลยแม้เมืองทั้งเมืองเรายังสามารถใช้พละงกาลังของเราเนี่ยทําลายท่าศึกศัตรูได้แต่แต่เราจะทําความขัดเคืองให้เกิดขึ้นในใจไม่ได้เพราะอะไรรูนะ้ไหม ถ้าความขัดเคืองเกิดขึ้นแปลว่าศีลหมดไหมเห็น ไ, ไหมเนี่ยอันนี้แปลว่าห่วงอะไรมากห่วงกุศลศีลตรงนี้เป็นข้อที่เราท่านทั้งหลายจะได้เอาไปคิดว่าเวลาความโกรธความหมุดหิดความพุ่งซนน่ามันเกิดขึ้นเราจะเอาศีลไว้หรือจะเอาความโกรธความหมุดหิดความพุ่งซนน่าที้เกิดขึ้นในชีวิตเอาอะไรดี ฉะนั้นที่เราอยู่อย่างเนี้ยที่มากันกี่วันแล้วเนี่ยมีความหงุดหงิดบ้างไหมไ ม, ไมีไม่มีมเคยขัดเคืองอะไรไห ม, ไมไน้อยใจโกรธหงุดหงิดอันนั้นบ่งบอกว่าตอนนั้นกุศลศีลกำเริบแล้วรากของกุศลศีลถูกตัดแล้วตัวกุศลศีลก็เลยไม่งอกเงยเหมือนต้นก้าหรือเหมือนต้นข้าว ที่ถูกตัดด้วยถูกรากรากกถูกตัดด้วยมีดต้นกล้าหรือต้นข้าวนั้นก็ไม่เจริญโตโตแม้ชั้นใดบุคคลที่ยังเจริญกุศลษาศีนจะทําให้กุศลศีสประชุมในกระแสของชีวิตแต่ไปทําให้ความโกรธเกิดเป็นเนืองนิดความโกรธก็คอยบั่นทอนรากของกุศลศีสตลอดต่อไปก็อยากให้เกิดเพราะอาโทสะคือความไม่โกรธนั้นเป็นตัวกุศลศีล โทสะคือความโกรธเป็นตัวตัด ร, รากของกุศลศีลถามว่ากุศลศีลนี้จะเจริญงอกงามได้ไหมเมื่อโกรธบ่อยๆไม่ได้นะฉะนั้นความโกรธจึงเป็นอันตรายข้อแรกของของกุศลศีลทีนี้ทําไมเราต้องรักษาศีลทําไมต้องเอาศีลไว้แต่ทําไมไม่ให้ความโกรธมาประชุมในความคิดเพราะเพราะอะไร เพร อ, อะไรเราเห็นประโยชน์อะไรเราจรึงต้องเอาศีลเห็นประโยชน์อะไรศีลดียังไงกุศลศีลดียังไงจึงต้องให้กุศลศีลเกิดในใจและดูแลกายดูแลวาจาเพราะกุศลศีลเป็นอะไรเป็นอริยท ร, รพัพย์ใช่ไหมล่ะถามาเป็นท ร, รัพย์ที่ประเสริฐไหมเป็นท ร, รัพย์ที่ประเรสริฐกุศลศีลเนี่ยสําสคัญกว่าท ร, รัพย์ภายนอกไหม กุศลศีล ส, ส, สาคัญกว่าอาวัยวะภายนอกไหมกุศลศีลเนี่ยสําคัญกว่าชีวิตไหมท่องเอาไว้ใหม่ๆ ม, มันอาจจะไม่เห็นความสําคัญหรอก <c oughs> แต่ว่าเมื่อสมาทานตั้งใจใ บ, บ่อยๆใส่ใจบ่อยๆที่สุดจริงๆเราจะรู้สึกว่าเรารักถามว่าตัวกุศลศีลเนี่ยโดยเนื้อโดยเนื้อตัวของตัวกุศลศีลเนี่ยเป็นพุทธ ธ, ธรรมะหรือเป็นสังฆะเป็นพระธรรม ถามว่าเมื่อมีกุศลศีลกุศลศีลจะรักษากระแสชีวิตไม่ให้เราตกไปในไห น, ไหนตกไปในใบพภูมิและไม่ตกไปในที่ชั่วและก็ไม่ตกไปในสังสารวัตรฉะนั้นกุศลศีลจึงสําคัญกว่าทุกอย่างถ้าเราไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่พ่อแม่กับกุศลศีลไหนสําคัญกว่ากัน <c oughs> <c oughs> กุศลศีลสําคัญกว่าถามว่าทำไมเราต้องปฏิบัติพ่อแม่ เพราะเราทําตามเพราะเรามีกุศลศีลไงเราจรึงต้องทำตะปฏิบัติดีต่อพ่อต่อแม่ทําไมเราต้องปฏิบัติดีต่อสามีและภรรยาก็เพราะตัวกุศลศีลนี่แหละแต่ถามว่าเอ๊ะคนที่เขาไม่ต้องอาศัยสุกุศลศีลเขาก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยเลี้ยงไปบน่นไปก็ได้ถามว่าตอนนั้นมันเป็นหน้าที่หรือเป็นศีลมันเป็นแค่หน้าที่มันเป็นแค่หน้าที่ซึ่งมัน ซึ่งมันต่อให้ดูแลพ่อแม่ทั้งชีวิตกระแสของกุศลจิตมันก็ไม่เดินไม่เดจริงใช่ไหมล่ะเพราะไม่ได้ตั้งใจในการที่จะทำให้กุศลศีลเกิดจริงๆทั้งที่เราต้องดูแลพ่อแม่เนี่ยท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่านดำรงวงะกูลทำตนให้เหมาะสมเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทับบุรุิทิตเนี่ยแล้วทำกิจให้ตลอดเวลาเนี่ยเพราะ กุศลศีเนี่ยสําคัญสําคัญตรงที่เมื่อเราปฏิบัติจารีตเจตนาศีนี้ให้บริบูรณ์แล้วตัวกุศลศีลจะรักษากระแสชีวิตทําให้เราพ้นจากอบายภูมิพ้นจากไม่ตกไปในความชั่วแล้วก็ไม่ตกไปในบายภูมิและไม่ตกไปในสังสารวัฏเราเห็นประโยชน์อันนี้ว่ากุศลราศีจะรักษากระแสชีวิตของเราในการปัจจุบันและในการต่อไป เราจึงต้องปฏิบัติในการดูแลพ่อแม่ในการปฏิบัติดูแลพ่อแม่นั่นคือการปฏิบัติตามพุทธโอวาทการเดินตามพุทธโอวาทในขณะนั้นเขาเรียกการปฏิบัติธรรมรี่ เ, เรียกปฏิบัติธรรมตอนนี้มีปัญหามากนะบางคนไปนั่งกรรมฐ า, า, านที่บ้านที่วัดเนี่ยกลับมาที่บ้านเนี่ยพ่อแม่เครียดพราะทำไมตั้งแต่ลูกไปเข้าวัดมาเนี่ย รู้สึกว่าพูดอะไรนิดหน่อยลูกก็ขี้โกรธมากลูกก็จะอยู่แต่ในห้องก็มาถามพระถามพระบอกไม่รู้ลูกเป็นอะไรลูกเห็นฉันทำอะไรผิดหมดเพราะอะไรอย่างเี้ยกินยาผิดนะมันผิดแล้วนะ ถ้ามีคุณธรรมจริงๆเนี่ยนะมีตัวกุศลศีลจริงๆกุศลศีลต้องโกรธ ด, ด้วยไม่โกรธ ไ, ไม่โกรธไม่โลภด้วยไม่มัวเมาร่มหลงด้วยตรงนี้ถามว่าถ้าตัวในชั้นของพื้นฐานเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยมันระหว่างปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านกับอยู่ที่วัดเนี่ยไหนมากกว่ากันเราจะเร่าเพียแล้วเนี่ยถามว่านาง ดูนางวิสาขาเนี่ยเวลาท่านดูแลสามีดีไหมดูแลดูแลพ่อของสามีดีไหมดีมากเนี่ยและในขณะเดียวกันนางวิสาขาดูแลผู้ได้เจ้าดูแลพระสงฆ์ดีไหมดีมากเพราะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะความฉลาดและความที่เดินกุศลศีลได้จริงนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฟังธรรมะเรื่องอะไร ใครตอบหน่อยนะนักวิสาขานี่ฟังธรรมะเรื่องอะไรอยู่ในบรรลุก็เราอยากจะเป็นอุบาสิกาเนี่ยมันต้องดูยอดมหาอุบาสิกาเขาใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีแบบฉบับในใจเลยเราจะเป็นอุบาสิกาที่เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยได้อย่างไรนากวิสาขาฟังธรรมะเรื่องอะไรพวกเรานี่เป็นนักเรงธรรมะกันยังไง ฟังเยอะจยากมีคนเข้าไปในรถนี่ไม่รู้อาจารย์อะไรบ้างไม่รู้เต็ไมไปหมดสารพัดในบ้านโอ้โจะเป็นสิบยี่สบเป็นสามสิบอาจารย์ครูอาจารย์เต็ไมไปหมดฟังจันมือไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเนี่ยนะช่วยลดลดหน่อยได้ไหมฟังนี้มันได้อัตถะแล้วให้มันสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติได้จริงไงอย่าไปฟังเพลินๆเ น, นี่ยบางที่โมหกินเราเนี่ยต้องละงอ้าวฟั ง, ฟ, งฟังธรรมะเรื่องอะไร นางวิสาขาบรรลุตอนที่เป็นอายุตอนนั้นเธอเจ็ดขวบถามว่าตอนนั้นเราเจดขวบก็อยู่ชั้นอะไรเนี่ยรู้เรื่องพระพุทธเจ้าไหมตอนเจ็ดขวบรู้เรื่องเลยทำไมนางจึงจึงมีอัธยาศัยที่รู้และเข้าใจคำสอนพระเจ้าตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบุพภาริยา บุพพัจริยาที่บำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีนเนคขม่าเป็นต้นแต่นางวิสาขาเธอขับเน้นดิธานบารมีแล้วตั้งอัธยาศัยไว้ต้องการเป็นอุปถาิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในองค์ต่อไปเมื่อตอนนั้นเธอเห็นบุคคลอื่นใช่ไหมที่ตั้งอยู่ในฐานะนั้นเมื่อเห็นไปเสร็จเธอก็ตั้งอธิษฐานธรรมไว้ในใจแล้วก็ตั้งอัธยาศัยว่าขอให้ตนเองได้สถานะนั้นสถานะในการเป็น ฐานนบดดีนั่นเองนะเป็นอุปถายิกาของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าในองค์ต่อไปในอนาคตนูแล้วเธอก็พออธิษฐานไปเสร็จแล้วเธอหยุดนอนหลับไหมไม่ใช่เลยนะอธิษฐานเสร็จแล้วก็ทํำพอตั้งใจแล้วก็ไม่ถอนความตั้งใจแม้ไม่ได้ฐานนันั้นเธอก็ไม่ยอมไม่ยอมทําลายอธิษฐานที่ตั้งไว้คือตั้งใจไว้แล้วก็ทําแบบมุ่งมั่นที่สุดจริงๆเนี่ยเมื่อบา ร, รมีเธอ บริบูรณ์เบ็เสร็จเธอก็มาเกิดในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จในการที่จะเทศพระพุทธเจ้าก็เอาบารมีของเธอที่เป็นปุพพะเจริยาที่เธอบำเพ็ญมาแล้วเอามาเทศฉะนั้นนางวิสาขานในบรรลุในเรื่องของทานใบารมีในเรื่องทานฟังทานนักถาศีลนักขาเนี่ยฟังในเรื่องนี้บเสร็จสรุปลงในอริยสัจ ถามว่าคนฟังเรื่องทานเนี่ยบรรลูได้ไม่ได้ได้ไหมไ ด, ได้ไม่ได้หรอเดี๋ยวจะแยกให้ดูนะว่าทานก็บรรูอยังไงเราแยกพอเป็นหลักพอเป็นแนวทางเพื่อจะให้รู้ว่าจริงๆคนฟังเรื่องทานก็บรรลุได้คือถ้าเจตนาทานก็จิตที่คิดจะให้ใช่ไหมจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละ ถามว่าตัวทานกนุศลถามาว่านี่ศีลเราเราคุยกันมาหรือยังเรื่องศีลคุยมาแล้วใช่ไหมส่วนทานา ม, มาแล้วเนี่ยถามว่าทานกุศลกับศีลกุศลมีความต่างกันตรงไห น, นต่างตรงไห น, นต่างตางรงไหนอ่ะ <c oughs> และ้วศ<อ>ีลละ่ะทานอาศัยวัตถุศีลอาศัยอะไร ทานเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเราจะให้ที่จริงทานมีถามว่าวัตถุทานมีไห ม, มเจตนาทานมีไหมอภัยะ<ม>ทานมีไห ม, มธรรมทานมีไหมอุ่ย<ม>ไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เอาแล้วเอาะไรเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นตัววัตถุทานอันนี้เป็นตัววัตถุเป็นวัตถุภายนอกนะ ถามว่าถ้าเราจะมองว่าตัววัตถุทานเนี่ยก็คือวัตถุภายนอกแล้วตัววัตถุทานเป็นของภายในได้ไหมถามว่าตาของเราเนี่เป็นวัตถุทานได้ไม่ได้เห็นไหมเริ่มมาอยู่ภายในแล้วนั่นใช่ไหมบางคนก็สามารถให้ตาเป็นทานด้วยปอดก็เป็นวัตถุทานบ้างไตก็เป็นวัตถุทานได้หัวจใจก็เป็นวัตถุทานได้ใช่ไหม อ, อวัยวะน้อยใหญ่เลือดในกระแสร่างกายทั้งหมดเป็นวัตถุทานได้หมดเลย แม้แต่กรณีที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหางใหม่หันเก่ามันสมองถ้าเราจะคิดเป็นเป็นวัตถุทานทั้งหมดเลยอันนี้เหองไหมเนี่ยสรุปก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่นาำ ม, มาทําทั้งหลายในที่นี้นะจัดก่อนว่าเป็นวัตถุทานได้แต่ว่าเออจิตที่คิดจะสละแค่ไหนอโลภะ ค, ความไม่โลภเนะี่ยเด่นชัดไหมความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาเนะี่ยมีความเข้าใจวัตถุทานแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้น แล้วถ้าเรามานองดูในเรื่องของศีลศีลคือมหาทานไม่ต่างกันเลยนะถามว่าที่เราไม่ฆ่าสัตว์แปลว่าเป็นการให้ให้ใหความปลอดภัยในชีวิตใช่ให้ไหมเจตนาคือจิตที่คิดจะให้ความปลอดภัยในชีวิตคิดจัด ไม่เบียดเบียนกระแสะชีวิตเขาไม่คิดประทุษร้าชีวิตเขาและยังให้ชีวิตของเขานั้นอยู่ดีมีสุขและประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลและตลอดไปเธอขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขเราจะไม่คิดเบียดเบียนใครอีกต่อไปแล้วอันนี้จัดว่าเป็นทานไหมนี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอภัยทานให้ความปลอดภัยในชีวิต แล้วก็ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาให้ความปลอดภั ย, ยในสถานะให้คําสัตย์คําจริงให้ความปลอดภัยโดยการพู่ให้เขามีความรักสามัคคีกันให้ความปลอดภัยโดยการกล่าววาจาที่ไพเราะอ่อนหวานให้ความปลอดภัยโดยการกล่าวสิ่งที่เป็นอัเกษนธรรมมีหลักฐานอ้างอิงนี่เรื่องมหาทาน ให้ความปลอดภัยโดยการที่ไม่นำสิ่งมึนเมามันสู่กระแสชีวิตเพื่อจะได้ให้สัตว์ทั้งหลายปลอดภัยจากการเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกประเด็นเลยถามว่าใช่ทานไหมเนี่ยนี่ไงมหาทานสรุปแล้วศีลกับทานต่างกันไห ม, ไมเห็นไหมที่สุดจริงๆก็มาขับเน้นตัวคุณธรรมที่อยู่ภายในอยู่ดี ถามว่าจริงๆเป็นเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยเรื่องใหญ่หรือไม่ใหญ่ <Yeah. S 1> เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าไม่เข้าใจแล้วเราจะเดินเข้าสู่กุศลชั้นสูงอย่างไรเนี่ยชีวิตเนี่ยจะเดินยังไงดีเนี่ยใช่ไหมลองทีนี้อใครที่ศึกษาระดับสูงๆมาบ้างเนี่ย mm hmm. วัตถุทานภายนอก วัตถุทานภายนอกสรุปแล้วคือดินน้ำไฟลมสีกินรสโอชาธาตุใช่ไหมภาษาพระเขาเรียกวิวนิโพคารุถามว่าเวลาจะสละวัตถุภายนอกนี่นะอันนี้คืออะไรเวลาเราจะถวายนี่นะถามหน่อยว่าที่เคยผ่านมาเวลาจะน้ำปาหน้าถวายพระเนี่ย เราคิดถึงอะไรเราคิดยังไงคิดว่าเออมีน้ำปาน้าก็ถวายท่านไปเถอะอย่างนี้ว่าหรือคิดอะไรต่อมีใส่ใจยังไงต่อสำหรับกลุ่มผู้ต้องการเจริญทานกุศลที่เข้าถึงความคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราใส่ใจยังไงถามว่านี้มีสีไหม มีสีพอดื่มเข้าไปเนี่ยสามารถจะบำรงเสียงได้ไหมมีกลิ่นไหมมีรสไหมมีโอชาวิตามินอยู่ในนี้ไหมแล้วสีกลิ่นรสสัมผัสมีสัมผัสเย็นร้อนอย่างนี้ไหมมีตัววิตามินไหมไอตัววิตามินเขาเรียกธรรมารมณ์ ถามว่าเวลาเราจะถวายเนี่ยวัตถุทานชิ้นนี้คือ น, น้ําปานาเนี่ยเราปารบสีหรือปารบเสียงหรือปารบกลิ่นหรือปารบรสหรือปารบโหดถพยเย็นร้อนหรือปารบตัววิตามินที่จะไปหล่อเลี้ยงกระแสะชีวิตของสองสาวของพระพุทธมีพระาเจ้าเราปารบอะไรเป็นประทานปลารบอะไรจริงหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งเพิ่งปารบหรือเปล่า ตรงนี้ทำไมต้องแยกแยะปารอบอย่างนั้นเข้าใจไหมว่าเหตุผลที่ต้องแยกแยะ แ, และปารอบอย่างนี้เพื่อทำปัญญาให้เกิดขึ้นในการให้ทานไม่ใช่ให้โดยศักแต่ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเคยสังเกตหมคนบางคนเกิดมานั้นนอกจากตนเองจะมีทั้งรัพ์แล้วยังมากไปได้วยบริวารมันมาจากเขตด เุที่เราให้ทานโดยการปารภประธานและบริวารก็เป็นปัจจัยให้เรานั้นได้ทั้งเีดที่เป็นตัวประธานด้วยได้ทั้งตัวบริวารของสิ่งนั้นด้วยและด้วยการที่เราให้ได้นอบน้อมนี่แหละให้ด้วยความเคารพให้ด้วยจิตที่เลื่อมใสนี่แหละเราจึงได้สิ่งของนั้นดีเลิศ และบริวารทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นบุตรภรรยาสามีก็เชื่อฟังเอาอกเอาใจนี่เราจะเห็นชัดแล้วทุกวันเนี่ยเราไม่ได้มีตรงนี้เลยนะเนี่ยหลายๆคนเนี่ยงุดหงิดมากพูดคำหนึ่งเขาก็เถียงกับสามคำเริ่มเห็นหรือยังว่าโทษของการให้โดยการไม่ยกสิ่งของหนึ่งเป็นประธานและไม่มีบริวารแวดล้อมในการใช่ทวน และในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ด้วยความนอบน้อมไม่ให้ด้วยความเาคารพผลที่เกิดมาก็เกิดมาบางทีก็หาบริวารไม่ได้เลยบางคนมีเรื่องบริวารแต่ละคนก็กระด้างกระเดืองไม่เชื่อฟังปวดหัวอยู่นั่นแหละแล้วเราก็ยังไปสาคัญว่าเราเป็นนึกตำหนิบริวาร น, นะไม่เคยตำหนิตนเองเลยว่าเพราะเหตุแห่งการสร้างเหตุที่ไม่ดีของตอนเองนี่แหละตนเองจรงเป็นแบบนี้ สรุปแล้วพอพูดเรื่องทานในเชื่อมโยงต่อศีลได้ไหมทานที่ไม่ตั้งอยู่บนกุศลศีลทานนั้นจะมีผลมากมีอนิสงมากไหม mm hmm. ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงมากฉะนั้นทานกุศลที่เดินได้ถูกต้องนั้นจะต้องตั้งอยู่บนศีลกุศลจึงจะมีผลมากจึงจะมีอนิสงมากทีนี้พอแยกแยะอย่างนี้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์อันนี้เป็นปรมัต ธ, ธรรมไม mm hmm. เป็นปรมัติธรรมหรือเปล่าเป็นปรมัติธรรมจิตที่คิดจะให้เจตนาตั้งใจที่คิดจะให้อันนั้นเป็นเจตนาไหมเ ป, เป็นเจตนานเจตนาตรงนั้นอยู่ในกลุ่มของสังขารขันสัญญาจำได้ไหมว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยอันนั้นกลุ่มสัญญาขัน รู้สึกโสมนัสในขณะเกิดขึ้นที่มีการให้ทานสละทานนั้นอันนั้นเป็นกลุ่มของเวทนาขันต์ปัญญาที่มีความรอบรู้มีความเข้าใจ น, นั้นเป็นกลุ่มของสังขารขันต์เหมือนกันและจิตที่เป็นประธานของกลุ่มนามธรรมา ท, ทั้งหลายนั้นเป็นวิญญาณขันต์รูปกายที่เป็นไปอยู่ในการยกสิ่งของให้นั้นเป็นอะไรเป็นรูปขันต์สรุปแล้วใช่ขันต์ห้าไหม เป็นตัวสละวัตถุทานนะั้นใช่ไม่ใช่กลุ่มนามธาทำคิดจะสละรูปธรรมทั้งหลายก็หยิบของยื่นไปอันนี้อันนี้ใช่แยกแยกนามรูปไหมเนี่ย <Yeah. S 1> แปลกใจว่าทําไมเขาถึงแทงตลอดสัจจะได้ในการเอาทานกุศลมาไข้ควรเริ่มแปลกใจไหม mm. เขาไม่แปลกใจแล้ว mm. เขาเห็นรูปธรรมภายนอกด้วยนะ mm. แล้วก็รูปธรรมภายในด้วย mm. แล้วก็เวทนาสัญ ญ, ญาสังขารวิญ ญ, ญาณด้วยเนะี่ย อันนี้ใช่รูปน้ำกำลังเป็นไปอยู่ไหมกลุ่มที่จะดูรูปน้ำทั้งหลายใช่ไหมใช่หายอ่นอัดที่ยังอันนี้หายคล่องใจยัง การชื่นที่ทำฐาต้องกาหนดประทานและบระิวารฐาาแล้วจ่จะยกอะไรขึ้นเป็นประธานถามว่าเราต้องการได้อะไรนั้นนะ่ะที่ประกอบไปด้วยทั้งของทั้งบริวารถ้าเราจะได้สมมติว่าเคยไม่เกิดมาอายุไม่ต้องเกิดมาในชีวิตเราเนี่ยพออยู่ในบ้านเนี่ยเอมีดไปไหนหมีดก็ขาดอา้าวที่บ้านนี้จอบไหมจอบก็ขาดอา้าวแล้วอาหาร ในตู้เย็นอ๋อหมดคือคือของอะไรมันจะขาดอยู่เรื่อยเลยเป็นคนที่มีของไม่บริบูรณ์เก<ม>ิดมาเนี่ยต้องหาอยู่ด้ยแหละทั้งั้งที่มีทรัพย์มีเงินแต่ขาดตลอดเพราะเราให้ของอไม่มีบริว<ค><ม>ารเลยครับ บาตรยาเมือคอจะได้ขอที่ที่สายเลยทอ๋อคือตรงนี้ตรงนี้ตามมาทีหลังอาหารที่จะส ป, ปายากระท่านและไม่ท่านเนี่ยอันนั้นถูกต้องอันนั้นต้องปรารบอยู่แล้วแต่ว่ากรณีแห่งการที่กระแสจิตที่คิดจะกะให้เนี่ยอย่าลืมนะว่าในขณะที่เราจะสละ ต, ตอนนั้นน่จิตกำลังกาลังประดับตกแต่งจิตทำไมต้องประดับตกแต่งจิต เพราะจิตทุกขณะที่ประดับตกแต่งจิตที่เป็นไป ก, กุศลนั้นคือการปรุงแต่งจิตเพื่อความเป็นอลังการะเพื่อความเป็นอลังการะของจิตสภาพจิตนั้นจะเป็นอลังการะของอะไรอลังการะของสมาธิถ้าไม่ปรุงแต่งจิตให้รายละเอียดตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นเป็นไปตามลาดับ ถ้าไม่กระตุ้นเตือนจิตเป็นไปตามระดับที่สุดจริงๆเนี่ยตัวเจตนาทานจะไม่เชื่อมโยงต่อเจตนาศีลที่สุดจริงๆปลาโมดปีติภัสสิสุขและจะไม่เป็นบริขารของสมาธิ